กรรมฐานนะฝึกพยายามมีสติไว้รู้ทันจิตตัวเองบ่อยๆถ้าเรามีสติรู้ทันจิตตัวเองได้นะอากุศลที่มีอยู่ก็ดับทันทีเลยในขณะที่มีสติรู้ทันจิตใจของเราอยู่นะอกุศลใหม่กิเลสเท่ทาไหร่มันจะไม่เกิดขึ้นในขณะที่เรามีสติรู้ทันจิตใจตัวเองนะั้กุศลได้เกิดขึ้นแล้วแล้วกำลังเจริญอยู่ เรามีสติรู้ทันจิตใจเราเนี่ยได้สัมมาวายามะนะเรามีสติรู้ทันจิตที่ฟุง้งซ่านะจิตที่ไหลไปไหลไปเราคอยรู้ทันใ น, ะนสุดจิตก็ตั้งมั่นไม่ไหลไปเราจะได้สมาธินะเรามีสติรู้ทันสภาวะอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้สุขทุกข์ดีชั่วอะไรเกิดขึ้นรูนะ้รู้จนจิตมันจำสภาวะได้แม่นแล้วสติจะเกิดเองเราฝึกไปเราจะได้สตินะ งั้นการที่เรามีสติคอยรู้จิตเนี่ยเราจะได้ธรรมะหลายอย่างในขณะนั้นแหละคือการทําความเพี่ยนชอบในขณะที่มีสติรู้จิตอยู่เรื่อยจําสภาวะได้แม่นนะโลภโกรธหลงเกิดขึ้นรู้ทันรู้ทันเรื่อยสุขทุกข์ดีชั่วเกิดขึ้นรู้ทันรู้ทันไปนะจิตมันจําสภาวะได้แม่นความโลภเกิดขึ้นมามันรู้จกักแล้วความโลภเป็นอย่างนี้สติก็เกิดเองเลยถ้านะไปไม่เจตนาจะรู้มันก็รู้เอง ตอนที่สติอัตโนมัติเกิดเนี่ยจะมีลักษณะที่ว่าไม่เจตนาจะรู้ก็รู้ได้เองนะรู้เองถ้าเราฝึกไปเรืนะ่อยกุศลเราก็จเจริญขึ้นเรื่อยมันจเจริญอัตโนมัติเลยนะใครรู้ทันจิตไปไร้นะ่เห็นสภาวะมากๆสติก็ยิ่งไวรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตก็ยิ่งตั้งมั่นไม่ต้องประคองไม่ต้องรักษา จิตตั้งมั่นอยู่โดยไม่ต้องรักษาสติเกิดเองโดยไม่ต้องเจตนานะเราฝึกมากเข้ามากเข้านี่ถึงจุดหนึ่งนะจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิรวมเองนะรวมได้เองเป็นเรื่องแปลกจะว่าแปลกมันก็แปลกนะจะว่าไม่แปลกมันก็ธรรมดาทําไมไมันเข้าอัปปนาได้สติสมาธิปัญญามันแก่รอบขึ้นมา อะไรเกิดขึ้นนะจิตรู้ทันนะจิตตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูอยู่นะตั้งมั่นมากๆนะแล้วไม่มีอารมณ์อะไรมายั่วให้จิตหลงไปได้จิตตั้งมั่นอยู่ก็ไม่เห็นแปลกเลยที่จะเข้าอัปปนานะเข้าได้เองอะ่ะบางคนกำลังนั่งฟังธรรมนะสมัยพุทธกาลนั่งฟังธรรมอยู่นั่งฟังฟังไปนะจิตรวมข้าอัปปนาตัดเป็นพระโสดาบัน ไม่ได้เป็นพระโสดาบันตอนที่นั่งฟังธรรมนะแต่อาศัยนั่งฟังธรรมนะสติสมาธิปัญญาเนี่ยค่อยแก่รอบขึ้นแก่รอบขึ้นอย่างนั่งฟังเทศนี่ยฟังธรรมมันมีสองแบบนะแบบหนึ่งฟังเอาเนื้อหาสาระนี่ฟังภาคปริยัตอีกแบบหนึ่งที่ฟังแล้วเขาบรรลุมรรคผลกันได้นะเขาฟังไปแล้วเขาจเจริญสติไปเนะมื่อก่อนไปเรียนจากครูบาอาจารย์วัดป่านะท่านจะสอนเนี่ยนะให้เรานั่งสมาธิไปเลยแล้วท่านเทศให้ฟัง เทศเทศไปนะเราได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างไม่สําคัญสําคัญที่ได้ฝึกกรรมาฐานไปในขณะนั้นเลยธรรมะบทใดของท่านถ่ายทอดออกมาตรงกับความจำเป็นของเราในขณะนั้นจิตมันจะตื่นตัวขึ้นมารับรู้เองมาสนใจฟังเองตรงนี้ธรรมะของคนอื่นใจมันก็ไม่ฟังนี่ตรงที่ใจใจมันตื่นตัวขึ้นมารับธรรมะที่เกิดความรู้ความเข้าใจขึ้มันจิตรวม รวมเข้าอัปปนานะตรงที่เข้าอัปปนาสมาธินะอริยมรรคมันเกิดได้ไม่ได้เกิดตอนที่อยู่ในชีวิตปกติจิตใจของคนปกติอย่างนี้จิตใจของคนปกติอย่างนี้เรียกว่าจิตวนเวียนอยู่ในกามาวจรภูมิกามาวจรภูมิกามากามาวจร น, นั่นเองใจมันจรไปในกามทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ใ, ใจหมุนติ้วๆมันออกนอกตลอดใช่ไหม งั้นจิตในการมาวัจระภูมิเนี่ยไม่ใช่จิตที่ใช้บรรลุมรรคผลนะจะเป็นจิตที่ดีมากเลยในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะนี่พอปัญญาแก่รอบนะจิตมันหยุดเข้าอัปปนาของมันเองทงั้งๆที่ไม่ได้คิดจะเข้ามันเข้าของมันเองเมอมันเข้าไปแล้วนะสติทำงานอัตโนมัติสติไประลึกรู้รู้อะไรสติระลึกรู้จิต สมาธิอัตโนมัติเกิดขึ้นคือจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาตั้งมั่นอยู่ที่ไหนตั้งมั่นอยู่ที่จิตนะปัญญามันแก่รอบขึ้นมามันยังซึ้งลงไปไม่มีคําพูดนะปัญญายัางซึ้งลงในอะไรยังซึ้งลงในจิตนะงั้นเวลาจะได้ธรรมะนะมันจะเข้ามาตัดกันที่จิตเองศีลนะ ส, สมาธิปัญญาทั้งหมดเลยรวมลงที่จิตอันเดียวนี่เองนะ อะไรทําให้มันรวมลงที่จิตได้ตัวสัมมาสมาธินั่นแหละเป็นตัวรวบรวมพลังธรรมะฝ่ายกุศลให้รวมลงประชุมลงที่จิตอันเดียวนะการตัดกิเลสก็จะเกิดขึ้นตัดกิเลสไม่ตัดที่อื่นหรอกตัดที่จิตนะไม่ตัดที่กายไม่ตัดที่เวทนาไม่ตัดที่สังขารไม่ตัดที่สัญญาไม่ตัดที่ของภายนอกแต่ทําไมมันเข้ามาที่จิตได้เพราะปัญญามันแก่รอบนะ สมาธิแก่รอบนะสติแก่รอบนะมันรู้นะจิตไหลไปมันรู้ไหลไปมันรู้ใจมันตั้งมั่นอยู่กันเน้อก็ตัวเห็นจิตนั้นเกิดดับไปเรื่อยนี่มีสตินะมีปัญญาอย่างซึ้งลงไปเห็นจิตมันเกิดดับไปเรื่อยถึงจุดที่เขาพอเขารวมเขามาตัดเองนไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้นะจิตบรรลุมรรคผลนิพพานของเขาเองแต่อยู่ๆจิตจะบรรลุมรรคผลนิพพานเองไม่ได้ต้องฝึกนะ จิตเป็นอนัตตาสั่งให้บรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้แต่จิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้จิตคล้ายๆเด็กเราไปสอบแทนเด็กไม่ได้นะจิตเหมือนเด็กนะเราไปฉลาดแทนเด็กไม่ได้ไปเก่งแทนเด็กไม่ได้มีความรู้แทนเด็กไม่ได้เด็กต้องมีเองแต่อยู่ๆเด็กจะมีความรู้เองไม่ได้เราต้องให้การศึกษาการที่เรามาหัดเจริญสติรู้กายรู้ใจนี่คือการให้การศึกษากับจิตนะ ว่าหนึ่งจิตฉลาดขึ้นมาก็สอบผ่านของเขาเองเราไปสอบแทนจิตไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตจะบรรลุมรรคผลนิพพานเองนะมีคําว่าเองนะทําเองแต่อยู่ๆไม่บรรลุต้องให้การศึกษาเข้าไปนะให้ศึกษาเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญานะตรงไหนบกพร่องอยู่ก็พัฒนาตัวนั้นขึ้นมาศีลนะ ส, สมาธิปัญญาสมบูรณ์ขึ้นมานะแต่ต้องมีสติยืนพื้นไว้เลยถ้ามีสติก็มีศีลได้ง่ายถ้าขาดสติศีลก็ขาดไปด้วยนะ มีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาง่ายนะงั้นตัวแรกเลยต้อฝึกให้รู้สึกตัวด้อย่าใจลอยไปใครรู้สึกอยู่ในกายเขารู้สึกอยู่ในใจนะแต่ไปให้จิตใจมันตั้งมั่นอยู่ในกายในใจไม่ล่อนเร่ไปข้างนอกนะนี่มีสมาธินะมีสติมีสมา ธ, มมาธิก็จะเกิดปัญญาเห็นความจริงของรูปธรรมนามธรรมไม่ยากนะไม่ยากเบื้องตน้นถ้ารู้สึกยากนะพวกเราหัดรู้ทันใจของตัวเองที่กําลังปรากฏในปัจจุบันทุกคนดูจิตตัวเองเป็นอยู่แล้ว นี่กล้าใช้คำพูดนี้เลยนะว่าทุกคนดูจิตเป็นอยู่แล้วแต่ละเลยที่จะดูมีแค่นั้นเองนะใครไม่รู้จักโกรธบ้างมีใครไม่รู้จักว่าโกรธเป็นยังไงมีไหมใครรู้ไหมว่าโลภเป็นยังไงยกมือให้ดูหน่อยใครไม่รู้ใครรู้ว่าโลภเป็นยังไงเนี่ยใครไม่รู้จักหลงใจลอยรู้จักใจลอยไหมใครไม่รู้จักไหมมีไหมอิจฉาเป็นไหมอิจฉาผู้ชายคนไหนเคยอิจฉาบ้างมีไหม เากำลังจะดูพวกจำปลอมผู้ชายก็อิจฉาเป็นกลัวเป็นไหมผู้ชายลูกผู้ชายใจกล้าหานถามว่ากลัวเป็นไหมเป็นระเบิดลงตูมวิ่งก่อนผู้หญิงอีกผู้หญิงมาแต่กรีดกรีดวิ่งไปทางในผู้ชายหนีไปล้นะผู้ชายก็กลัวเป็นอิจฉาก็เป็นนะอะไรอะไรก็เป็นนะจริงๆแล้วความรู้สึกทุกชนิดเนี่ยพวกเรารู้อยู่แล้ว ดีใจเป็นไหมเสียใจเป็นไหมกังวลเป็นไหมเครียดเป็นไหมนะมีความสุขเบิกบานร่าเริงกรดีกะดานะมีความสุขอับกรดีกระดาก็ไม่เหมือนกันรู้สึกไหมเนะี่ยมันมีดีกรีของความรู้สึกนะที่แตกต่างกันเยอะแย ะ, ยะไปหมดเลยนะเซงเซงเฉยเฉยแล้วมีเซงเป็ดเซงไก่เซงหมาเซงแมวอีกใช่ไหมมีดีกรีของมันอีกนั่นะไม่เหมือนกันแในะความรู้สึกเรานะแต่ละคนเนี่ยรู้อยู่แล้วเราเพียงแต่ละเลยเท่านั้นเอง เราละเลยที่จะรู้ทันว่าตอนนี้ความรู้สึกอะไรกําลังเกิดอยู่นะเพราะฉะนั้นอย่าละเลยเท่านั้นเองนะอย่าทอดทิ้งกายอย่าทอดทิ้งใจของเราเองร่างกายมีอยู่แล้วจิตใจมีอยู่แล้วสุขทุกที่ชั่วมีอยู่แล้วทุกขณะทุกขณะนะเราละเลยเท่านั้นเองเราั้นไม่ละเลยคอยรู้สึกอยู่ในกายคอยรู้สึกอยู่ในใจนะอะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้เช่นหันซ้ายหันขวารู้นะยุงมากาัดคันรู้ว่าคัน อยากตบรู้ว่าอยากเอาแบนไปแล้วอย่างนี้นะมันว่องไวมันชํานาญอย่างนี้นะเนี่ยรู้ทันตบไปแล้วเสียใจโถตียุงตายไปแล้วยุงเนี่ยถูกข้อหาพยายามลักทรัพย์เท่านั้นเองถูกประหารชีวิตไปแล้วนะรู้สึกเสียใจโถทํายังไงนะพรุ่งนี้ต้องไปทําสังฆทานให้ยุงแทนที่จะรู้ลงปัจจุบันว่ากําลังเสียใจหไหมมันยากตรงไหนรู้ลงปัจจุบันความรู้สึกอะไรกําลังเกิดขึ้นสดๆร้อนๆ ร, รู้เข้าไปตรงนั้นแหละ ยากที่ไหนอ่ะนะใครว่าดูจิตยากนะหลวงพ่อเรียกให้เด็กๆถามเด็กมาให้เด็กแสดงเป็นตัวอย่างมาหลายคราวแล้วนะถามว่าเด็กโกรธเป็นไหมโกรธเป็นแต่ละวันรักแม่ไม่เท่ากันรู้สึกไหมรู้สึกนี่แต่ถ้าถามแม่นะถ้าแม่รุ่นใหม่เนะี่ยถามว่าแม่รู้สึกไหมรักลูกไม่เท่ากันแม่จะพยายามหน้าถ้าแม่รุ่นเก่ารู้สึกไหมรักลูกไม่เท่ากันไม่จริงหรอกฉันรักเท่ากันทุกคนเลยนะ่า เนี่เพราะอะไรเพราะอุดมคติต้องเป็นอย่างนั้นะแต่ไม่ใช่ความจริงหรอกนะไม่มีหรอกรักเท่ากันอะนะเมียแต่หลอกหลอกนะยิ่งผู้ชายนะมีเมียแล้วมีอีกคนแล้วบอกรักเท่ากันนี่โกหกสิ้นดีเลยนะเป็นไปนไม่ได้หรอกถ้ามันรักจริงมันไม่ไปมีอีกเนาะยากไหม ย, ยากไหมที่จะรู้ความรู้สึกของตัวเองไม่ยากหรอกนะแต่ละเลยนะต่อไปนี้อย่าละเลยนะ ให้ความสนใจกับจิตใจของเราเองให้ความสนใจกับร่างกายร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกสนใจร่างกายก็ไม่ใช่เสริมสวยทั้งวันนะคนละเรื่องกันเลยไอ้นั่นเรียกว่าหลงกายเอาแต่จสวยจะงามสวยอะไรนักหนาเหม็นจะตายไปไม่ได้สวยจริงหรอกนั้นเรารู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจรู้สึกไปเรื่อยเราจะเห็นแต่ความไม่เที่ยงร่างกายก็เต็มไปด้วยของไม่เที่ยงนะหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าหายใจเข้าแล้วก็หายใจออก ยืนแล้วก็เดินแล้วก็นั่งแล้วก็นอนอะไรเนี่ยหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะเนี่ยมีแต่ของไม่เที่ยงนะมีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดหายใจออกก็เพื่อแก้ทุกข์หายใจเข้าก็เพื่อแก้ทุกข์นะกินอาหารก็แก้ทุกข์ไปขับถ่ายก็เพื่อแก้ทุกข์เปลี่ยนอิริยาบถก็เพื่อแก้ทุกข์เนี่ยมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดใช่ไหมมันเป็นวัตถุมันเป็นก้อนธาตุมันไม่ใช่ตัวเราเป็นอนัตตานียืมโลกมาใช้ช่วครั้งชั่วคราววันหนึ่งก็ต้องคืนเจ้าของเข้าไปปนนนมััเ็อตา เรียกเขารู้ความจริงของกายจนะิตใจก็ไม่เที่ยงนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหมุนเวียนไปเรื่อยตามดูไปสี่จะเห็นแต่ความไม่เที่ยงจะเห็นเลยจิตใจเนี่นหาความสบายจริงไม่ได้นะมีความหิวโหวยอยู่ตลอดเวลามีความอยากบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยดูลงไปเราจะเห็นเลยจิตใจไม่เห็นมีความสุขตรงไหนเลยเดี๋ยวก็อยากโน่อนอยากนี่นะมาวัดก็อยากกลับบ้านอยู่บ้านก็อยากมาวัดเอาไงแน่ยุ่งเหยิงไปหมดเลยนะ ใจมันถูกความอยากบีบคั้นอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะรู้ทันลงไปรู้ทันลงไปนี่มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยนะไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยทนอยู่ในภาวะอันใดหนึ่งไม่ได้หรอกมันทนไม่ไหวมันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยจิตใจนี้จะดีจะชั่วจะสุขจะทุกข์เราสั่งไม่ได้ถ้าสั่งได้เราก็สั่งเลยจงบรรลุพระอรหันต์ในเวลาหน้าบัตรนี้เถินนะไม่เป็นไม่บรรลุนะเพราะสั่งไม่ได้นะสั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้นะ ของจริงเป็นอย่างนี้ดูดูลงไปนะรู้มันบ่อยๆจนกระทั่งเห็นของจริงเออมันห้ามไม่ได้นะมันไม่ใช่เราหรอกเนี่ยดูลงในกายนะก็เห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของกายดูลงในจิตก็เห็นอนิจออนาาน จ, นนจังทุกขังอนัตตาของจิตรู้ไปเรื่อยนะวันนึงมรรคผลมันก็เกิดหรอกนี่บางคนก็เข้าใจผิดหน่อยๆนะคิดว่าเบื้องต้นดูกายอย่างเดียวแล้วบรรลุโสดาสกตาคาราจริงๆต้องดูทั้งกายทั้งใจไม่มีใครดูกายได้อย่างเดียวหรอกนะเพราใจมันเป็นคนดู แล้วเวลาที่ตัดเป็นพระโสดาบานันสังเกตไหมพระโสดาบานันท่านจะเห็นขันห้าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เห็นแต่กายไม่ใช่เรานะต้องเห็นทั้งขันห้าไม่ใช่เราเพราะฉั้นบางคนเข้าใจผิดว่าเบื้องต้นดูแต่กายอย่างเดียวเบื้องปลายดูแต่จิตยอย่างเดียวไม่ใช่นะจะเป็นพระโสดาบันได้ต้องเห็นมาขันห้าทั้งหมดเลยไม่ใช่เราหรนะไม่มีเราในขันห้าไม่มีเรานอกขันห้านะเราะฉนั้นแต่ว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยชำนาญอันไหนเอาตัวนั้นเป็นหลักเอาตัวนั้นเป็นหลักไม่ได้แปลว่าไม่รู้อันอื่น นะอย่างดูจิตเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดูกายร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกนะรู้สึกได้เก่งด้วยดูจิตชํชนานี้ชํานาญร่างกายนอนหลับอยู่กลืนครอกคลอ ก, ล อ, กอยู่สติยังรู้เลยใครทําได้บ้างใครเคยเห็นตัวเองนอนกลนนะเยอะแยะเลยเห็นไหมนี่ตัวอย่างมีพยานเยอะแยะเลยเพียบเลยนะใครเคยเห็นตัวเองพลิกซ้ายพลิกขวาตอนนอนนะนี่เยอะกว่าตะกี้แสดงว่าสงวนตัวหน่อยบอกว่านอนกลนไม่เอาเดี๋ยวขายไม่ออกนะนะ แต่พลิกซ้ายพลิกขวาเนี่ยยังพอไหวเห็นไหมเวลาฝันแล้วเกิดกลัวขึ้นมาตกใจขึ้นมาใครเคยมีสติรู้ได้นะนี่เยอแยะน่นค่อยฝึกไปนะจนสติอัตโนมัติอย่าว่าแต่ตื่นเลยหลับอยู่ยังรู้เลยนะโธ่ไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดานะบอก <c oughs> <c oughs> นะเราฝึกไปเถอะนะเราจะเห็นเลยโ่าโหอัศจรรย์จริงๆอัตโนมัติอย่างนี้แหละไม่ต้องกลัวละนะฝึกจนมาอัตโนมัติ ฝึกไปเรื่อยๆนะเพราะฉะั้นอะไรเกิดขึ้นในกายเคยรู้อะไรเกิดขึ้นในใจเคยรู้รู้อย่างที่เขาเป็นอย่าเข้าไปแทรกแซงนะรู้ด้วยตามความเป็นจริงความจริงก็คือไตรรักษณ์ดูอย่างนี้นะอพอไหวไหมเวอร์ชั่นนี้เวอร์ชั่นเมื่อเช้าจะยากนิดนึงสําหรับพวกนักวิชาการอันนี้สําหรับพวกไม่สนใจวิชาการเพราะฉะนั้นหัวละแแหะแเหะเผลอไปแล้วเห็นไหม <laughs> นะเอา ร, รู้สึกนะรู้สึกนะเห็นไหม พอถูกเริ่มจับผิดเนี่ยเริ่มเกริงแล้วรู้สึกไหมเอี๋ยวทลวงพ่อจะลองชี้บางคนดูเอาใครดีรู้สึกไหมจิตเราเปลี่ยนเ น, นี่ยดูอย่างนี้นะดูอย่างเงี้ยความรู้สึกเราเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาแค่รู้นะแค่รู้เท่านั้นเองรู้ไปเ้วยอยนะในที่สุดจะเห็นแต่ความไม่เที่ยงในที่สุดจะเห็นแต่ว่ามันมีแต่ทุกข์บีบคั้นอยู่ในที่สุดจะเห็นไม่มีเราเหรอก กายนี้ก็เป็นวัตถุไม่ใช่ตัวเราจิตใจก็บังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเรานะกายกับจิตมองกลุ่มนะกายเป็นอนัตตาเนี่ยดูได้มันเป็นวัตถุยืมโลกมาใช้นะมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกดูจิตนะจิตมันไม่มีวัตถุให้ดูนะจิตเราดูในแง่ของการบังคับไม่ได้นะเป็นอนัตตาอยู่นอกอำนาจบังคับนะฝึกไปนะวันหนึ่งก็จะได้ของดีสมกับที่เราเกิดมาเป็นชาวพุทธนะอ่ะต่อไปตรวจกันบ้าน เมื่อวานมีคนมาถามว่าทำไมหลวงพ่อใช้คําว่าตรวจกันบ้านทําไมไม่ใช้สอบอารมณ์บอกไปสอบมันทําไมอารมณ์อารมณ์เอารู้เวอริสิหน้าที่ของเราต่ออารมณ์นัรู้ทันมันหน้าที่ของเราต่อจิตก็รู้ทันมันไม่ต้องไปสอบมันหรอกเพราะอารมณ์ทั้งหลายเกิดแล้วดับเดี๋ยวมันก็สับตกไปหมด่ะมาแล้วมันหายหมดอนะคําว่าตรวจกันบ้านเนี่ยมันเป็นศัพท์ที่คนสมัยนี้คุ้นเคยพวกที่เรียนหนังสือมันมีนัยยะอย่างหนึ่งนะว่าต้องทํากันบ้านเนึ้อออกไหม ต้องทำกันบ้านสอบอารมณ์ไม่ต้องทําอะไรหรอกมันถึงก็สอบได้แล้วฟุ้งซ่านอะไรก็ว่าไปนะแต่คำว่าตรวจกันบ้านส่งกันบ้านเนี่ยต้องทํากันบ้านนะเพราะฉั้นเรามีข้อผูกพันกันนะหลวงพ่อสอนฟรีนะในแทบตายเลยแต่ละวันตอนให้ฟรีนะพวกเรามีหน้าที่ไปทํามานะ อ, อ, อย่าให้หลวงพ่อเหนื่อยเปล่าๆนะเสียแรงสอนไม่ใช่สอนหมาสอนแมวนะสอนแล้ ว, ลวมันไม่ทํานะพวกเราสอนแล้วต้องเอาไปลองทําดูนะ ทำแล้วจะเห็นผลด้วยตัวเองแต่ถ้าทำไปนานๆแล้วไม่ได้ผลนะก็เลิกไปเถอะนะไปหาวิธีอื่นเอาวิธีนี้อาจจะไม่เหมาะกับเราก็ได้ไม่ใช่ว่าวิธีนี้ดีที่สุดแต่หลวงพ่อก็คิดว่าวิธีนี้ดีที่สุดสำหรับหลวงพ่อนะมันดีสำหรับแต่ละคนหรอกนะแต่ว่าถ้าจะว่าไปนะว่าหลวงพ่อสอนวิธีไหนพูดยากมากนะรู้สึกไหมเพราะแต่ละคนเราสอนไม่เหมือนกัน บางคนดูกายบางคนดูจิตไมบางคนทําสมาธิบางคนเดินปัญญาก่อนบางคนทําสมาธิและปัญญาควบกันอย่างสอนคุณนาเกิงนะทาสมาธิกับปัญญาควบกันไปเลยนะสอนบางคนส่วนใหญ่ก็สอนใช้ปัญญานำสมาธนะิเมื่อวานก็มีคนมาถามว่าทำไมวิธีสอนของหลวงพ่อแปลกไม่พานั่งสมาธิเดินจงกรมก่อนหลวงพ่อบอกเขาซื่อเลยว่าคนยุคนี้นะศรัทธาน้อย พวกเรา呐นหะลวงพ่อบอกว่าไปเดินจงกมรมวันละหชั่วโมงเดินไหมไม่เดินหรอกอย่างมากก็เดินสองวันแล้วก็เลิกหนะลวงพ่อบอกหลวงพ่อปรับวิธีการสอนใหม่นะแต่เราสอนอยู่ในเรื่องไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาทั้งหมดนั่นแหละแต่เริ่มต้นด้วยการให้หัดรู้สภาวะไปนะหัดดูจิตดูใจไปพอเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองแล้วเราจะเกิดศรัทธานึกออกไหมเรจะเกิดศรัทธานะเราจะรู้เลยว่าศาสนาพุทธมีอะไรบางอย่างนะไม่ใช่เลื่อนลอยไม่ใช่ปรัชญาลอยๆ แต่ว่าถ้าเราลงมือปฏิบัติแล้วเราเห็นได้เลยความทุกข์มันตกหายได้จริงๆนะความทุกข์มันหายไปได้จริงๆเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นๆเคยทุกข์หนักก็ทุกข์น้อยนะเห็นความเปลี่ยนแปลงพอเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วศรัทธาจะเกิดขึ้นพอศรัทธาเกิดแล้วนะมาเรียนต่อหลวงพ่อจะเรื่งเรเรื่องวิริยะละไปทําในรูปแบบนะเพิ่มวิริยะเข้าเห็นไหมเพิ่มสตินะมีสติตั้งแต่ตอนที่หัดทำในรูปแบบออกมาข้างนอกนี้ก็มีสติอีก มีใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะเพิ่มสมาธิเพิ่มปัญญาบางคนก็ให้ทำสมถะเพิ่มสมาธิบางคนยังทําสมถะไม่ได้มีสติรู้ทานจิตฟุ้งซ่านไปก็ได้สมาธิเหมือนกันสุดท้ายก็พละห้ามันก็เพิ่มขึ้นนะศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญามันก็เกิดนั่นแหละโพชฌงก์ก็เกิดพละห้าก็เกิดอินทรีห้าก็เกิดนะอะไรดีๆเกิดหมดเลยอริยสัจสี่ก็จะเกิดนะโพชฌงก์เจดก็เกิดจะเกิดพร้อมกันแหลนะ ในขณะเดียวกันนะันะสามสิบกว่าอย่างรวมกันนะในขณะจิตเดียวนนะเทศเสนื่อยเลยในฐานะที่ส่งท้ายวันนี้เขาจะปิดคอร์สแนละ้วส่งกันบ้านให้อยู่วัดเชิญเอาคุณจันทร์ว่าไปก็ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากอย่างยิ่งของชีวิตที่ได้มีโอกาสอยู่วัด เรากราบถุนทรพจศสเพาะเชียวแล้วก็ได้ทบทวนการปฏิบัติที่มันบางครั้งมันเปรย์ออกไปนอกลู่นอกทางอยู่ต่อไหมมากขึ้นอยากต่อ่ต่ออยู่ต่ออยู่ได้อีกอ่ะให้อยู่อีกวันหนึ่งก็ก็รู้สึกว่ามันทําให้เข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นแล้วก็มาทวนหลักการที่สําคัญสําคัญให้ชัดเจนมากขึ้นค่ะคือถ้าหลักแม่นนะการภรณนาจะง่าย ถ้าหลักไม่แม่นนะ ล, ล้มลุกคลุกคลานลองผิดลองถูกไปด้วยนะใช้เวลานา น, านที่ผ่านมามันจะรู้สึกว่าเป๋ไปเป๋มาเป๋ไปเป๋มาแล้วเสียเวลา ก, ก็รู้สึกว่ามาครั้งนี้ได้ผลมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นพระคุณที่หลวงพ่อได้เทศตอกย้ำหลักการที่สำคัญสำคัญให้ขอบพระคุณมนะากเราพยายามพูดทุกวันนะเรื่องหลักของการปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อพวกเราจะพึ่งตัวเองได้ ไม่ใช่เพื่อพึ่งหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ได้อยู่ค้ำฟ้านะงั้นพยายามสอนหลักมากๆเลยไม่ได้บอกนะว่าทําอย่างนี้นะทําอย่างนี้นะถัดจากนี้ทําอย่างนี้นะไม่ได้อย่างนั้นแต่สอนหลักที่พระเจ้าให้เราแล้วเราไปสังเกตรเราเองอย่างเวลาสอนขับรถอะมันบอกได้ไหมว่าตอนนี้ให้เหยียบเบรกตอนนี้ให้เหยียบคันเร่งนะแตมันต้องรู้ด้วยตัวเองนะว่าตอนนี้จะเหยียบเบรกหรือเหยียบคันเร่ง ตอนนี้จะเดินปัญญาหรือตอนนี้จะทําความสงบอะไรเงี้ยมันต้องรู้ด้วยตัวเองต้องสังเกตนะพึ่งตัวเองให้ได้ไม่ใช่รอให้หลวงพ่อโทรศัพท์ไปบอกอ้าววันนี้นั่งสมาธินะอะไรเงี้ยประสาทสิคนประสาทคนแรกคือหลวงพ่อแหละใครทำต่อนะค่ะขอตอนนี้ก็ไม่ได้เครือบแคลงไม่ได้สงสัยอะไรแล้วค่ะหรือแต่จะตั้งใจปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าพระพุทธบูชาพระพุทธเจ้านะค่ะขอบพระคุณค่ะ เอาเลยวาดไปกลับนพิธการหลวงพ่อเจ้าค่ะเมื่อวานนี้ก็รู้สึกว่าฟุ้งซ่านทั้งวันนะคะอืก็พยายามรู้แต่ว่าก็รู้รู้บ้างไม่รู้บ้างใจมันยังอยากที่จะเข้าไปรู้มันมีปัญหาขึ้นมาสงสัยมันก็อยากจะเข้าไปคิดเยให้รู้สันที่อยากนั่นแหละใช่เจ้าค่ะแต่ว่ามันก็ได้คําตอบนะเจ้าค่ะจากที่หลวงพ่อสอนหลักนะคะทีนี้คือหลวงพ่อไม่ได้สอนให้พวกเราฉลาดนะแต่หลวงพ่อสอนวิธีให้พวกเราปฏิบัติเอาเอง ความฉลาดเนี่ยไม่มีประโยชน์เท่าไหร่เลยกับนักปฏิบัติความรู้มากครอบรู้แตกฉานนะฉลาดด้วยการคิดด้วยการฟังเนี่ยไม่ล้างกิเลสจริงรอ่ะนะแต่หัดรู้สภาวะไปเรื่อยเนี่ยจะล้างกิเลสได้จริงๆถ้าล้างกิเลสได้ก็พ้นทุกได้นะเพราะตัวที่ทําให้เราทุกขอกิเลสนั่นแหละนะนกิเลสนี่แหละศัตรูที่แท้จริงแต่อย่าเกลียดศัตรูศัตรูก็เป็นครูของเรานะกิเลสเป็นครูของเราเท่าๆกับกุศลนั่นแหละ กิเลสก็แสดงไจรักเท่ากับกุศลเห็นไหมกิเลสก็แสดงใจรั ก, ก, ก, ก, ใ, รกใช่ไหมนะนี่เราไปกเกลยียดซะกอ่อนเราเลยไม่เอาครูคนนี้ดูเกินไปเราไม่ชอบเราไม่เรียนนะไม่ดีงันะ้นอย่าไปเกลียกกิเลสแต่ว่าไม่ใด้ถูกมันครอบงำนะศีล ส, สมาธิปัญญาต้องสมบูรณ์ไม่ใช่บอกหลวงพ่อบอกอย่าไปเกลียกกิเลสแล้วทําผิดศีลได้ผิดไม่ได้เพราะเรามีสตนะิไปฝึกเอานะหลวงพ่อเจ้าคะอยากขอความเมตตาหลวงพ่อเจ้าค่ ะ, ค, ค, ะคือ โยมยังต้องแก้ไขมีสิ่งที่ต้องแก้ไขนะเจ้าค่ะสังเกต<ห>เอาสิ<ล>ะนะกุศลอะไรยังไม่มีอกุศลอะไรยังมีอยู่สังเกตเอาอะไรอะไรสู้การสังเกตเอาไม่ได้หรอกนะการสังเกตแล้วก็มีหลักการที่หลวงพ่อสอนไว้หลวงพ่อก็จําพระพุทธเจ้ามานะท่านสอนไว้อย่างนี้การสังเกตสภาวะหรือสิ่งที่ปรากฏขึ้นเนี่ยโดยมีหลักนะไม่ใช่สังเกตแล้วคิดตัดสินเอาตามใจชอบเรียกว่าโยนิโสมานสิการ เั้นโยนิยมโสมนัสิกาเนี่ยเป็นความแยบคายในการสังเกตจะรู้ว่าตัวเองทําถูกหรือทําผิดทํามากไปหรือทําน้อยไปนะทำมากไปเนี่ยไม่มีมีแต่ทําน้อยไปแต่โลภมากไปมนะีเช่นเดินจงกรมนะเดินไป5นาทีก็คิดแล้วเมื่อไหร่จะบรรลุอะไรเงี้ยจะบรรลุอะไรสะสมกิเลสตั้งนานใช<ม>่ไหมกุศลเพิ่งเจริญไม่นานมันล้างกันไม่ไหวนะเะั้นสะสมนะค่อยๆสะสม แ, แต้มไปด้วย <ขอ S 1> ไปฝ <ไป S 1> ึกเอา อ้าต่อไปเชิญยกมือเมื่อวานเรียกข้างหน้าก่อนหรือข้างหลังก่อนล่ะข้างหน้านะวันนี้เอาข้างหน้าอีกหนึ่งสองสามเห็นไหมมันไม่เที่ยงอย่างนี้แหละร้อยหกสิบหนึ่งเชิญค่ะกราบน้ำพระสัพพะหลวงพ่อค่ะวันนี้ตั้งใจมาอยากจะขอความเมตตาหลวงพ่อสองข้อค่ะ ราะแรกคือพอดีมีพี่ที่อาทิตย์หน้านี้จะไปผ่าตัดนะคะแล้วอาจจะต้องทำทรีทเมนต์อยากจะขอความเมตตาหลวงพ่อให้เวลาในการชี้แนะค่ะวันนี้ได้มาอัดเสียงจะไปให้พี่เขาฟังด้วยค่ะก็ผ่าตัดนะหมอเขาเป็นคนตัดนะเราไม่เกี่ยวหรอกว่าจะวางใจวางจิตภาวนาเขาวางยาสลบไหมไม่มั่นใจค่ะอหรือเขาบล็อกไขสันหลังยังรู้ตัวอยู่ ถ้าเขาบล็อกไข่สลังนะก็รู้สึกตัวไปทําตัวเป็นคนดูนะดูหมอเขารักษาดูหมอเขาผ่าตัดไปถ้าถูกวางยาสลบแล้วก็แล้วไปตื่นขึ้นมานะก็คอยรู้เอานะอะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตคอยรู้สึกรู้ไปแล้วถ้าใจไม่ยอมรับนะใจปฏิเสธเช่นความเจ็บปวดเกิดขึ้นยอมรับไม่ได้เนี่ยให้รู้ทันว่าใจไม่ยอมนะถ้าใจมันยอมขึ้นมานะร่างกายมันเจ็บใจมันไม่เจ็บไปด้วยวก็จะกลายเป็นว่าเจ็บแต่กายนะ ใจไม่เจ็บไปด้วยฝึกไปอย่างนี้นะเวลาเจ็บป่วยอะไม่เจ็บเฉพาะร่างกายขอบพระคุณค่ะข้อสองคือฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณ2ปีแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยได้มีความคืบหน้าอะไรมากจริงหรือสังเกตรหรือเปล่าจิตตอนนี้กับสองปีก่อนเหมือนกันไหม เ, เปลี่ยนไปค่ะแล้วไม่คืบหน้าแต่ว่าสังเกตไหมแต่ก่อนเนียเผลอยาวตอนนี้เผลอสั้นลง รู้<ช>สึกไหมใช่ค่ะสังเกตไหมโลกนี้เริ่มห่างออกไปตัวนี้มองออกไหมค่ะรู้สึกว่าความทุกข์กังวลอะไรมันห่างออกไปจากเมื่อก่อนแต่ก็ยังแต่ก็ยังมีอยู่เยอะค่ะไม่เป็นไรมีอยู่นะเรามาในทิศทางที่ถูกแล้วเราเริ่มเห็นแล้วว่าใจกับทุกข์นี่เริ่มแยกออกจากกันได้แต่ก่อนนี้เวลามีความทุกข์นะครอบงําจิตตลอดเลยตอนนี้มันเริ่มแยกออกเกจยวกันนะต่อไปมันจะเห็นในโลกนี้เป็นทุกข์นะจิตนี้ไม่ทุกข์ด้วยหรอก ไปฝึกไปด้วยที่มาฝึกมานี่ใช้ได้แล้วนะ<อ>ไปฝึกต่อเจ็ดสิบห้า <75. S 2> การนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะการบ้านหลวงพ่อให้รู้สึกกายให้ชัดขึ้นเจ้าค่ะแล้วก็กระดิกตัวไว้นะเจ้าค่ะในรอบสองเดือนที่ผ่านมาหนูรู้สึกว่ากายมันชัดขึ้นกว่าก่อนเจ้าค่ะแต่ว่าช่วงนี้หนูรู้สึกว่ามันมีอาการคล้าย เพลียแล้วก็เหมือนมีอะไรมันทําให้เราปวดปวดตามตัวนะเจ้าค่ะไม่ทราบว่าหนูต้องดูตรงไี้อย่างไรเจ้าค่ะหนูดูใจไปนะแล้วก็สวดมนต์ไปภาวนาไปน ะ, ะดูไปร่างกายมันเจ็บนะใจเป็นคนดูร่างกายมันอิดโรยใจเป็นคนดูน ะ, ะก็อย่างนี้บ่อยๆเค่แล้วสวดมนต์เรื่อยๆไปอธิษฐานให้พระช่วยคุ้มครอง ใหาหายเจ็บหายป่วยอะไรอย่างนะี้หลวงพ่อเจ้าคะแล้วสวดมนต์บทไหนยังไงเจ้าค่ะบนไหนก็ได้เอาเสื้อบทหนึ่งเจ้าค่ะแล้พูดเรื่องจริงเลยนะอันเนี้ยหลวงพ่อเคยอ่านประวัติหลวงพ่อปานเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อปานบ้างหลวงพ่อปานมีตั้งหลายองคนะยังไม่ได้บอกเลยว่าวงไหนห <c oughs> ลวงพ่อปานโสนันโทนะหลวงพ่อปานวัดบางนมโคท่านไปเรียนกับหลวงพ่อเนียมหลวงพ่อเนียมที่สุพรรณนะ แล้วท่านเห็นหลวงพ่อเนียมเนี่ยอาพินยาเยอะเล่นอะไรได้แปลกๆท่านเลยถามทําอย่างนี้ใช้คาถาบทไหนที่หลวงพ่อใช้ทําอย่างนี้ใช้คาถาบทไหนครับท่านบไปเปิดเจดตตานานดูบทไหนก็เอาเข้าสักบทหนึ่งนะฟังโอ้ห่วงวิชาไม่บอกนะไปเห็นท่านทําอย่างอื่นได้อีกนะไปถามอีกว่าหลวงพ่อใช้คาถาบทไหนไปเปิดเจดตตานานดูอันไหนก็ได้สุดท้ายท่านได้แก่นของมันนะครูบาอาจารย์สอนมาแบบนี้มันอยู่ที่ใจเท่านั้นเอง ส่วนบนไหนก็ได้นะอยู่ที่ใจมีสมาธิหรือเปล่านะอยู่ไหนล่ะคนที่ถาม อ, ะอ่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้หลวงพ่อบอกว่าหนูชอบน้อมใจให้ซึมนะเจ้าค่ะไม่ทราบ ว, ว่ามันยังเป็นอยู่ไหมเจ้าค่ะมันไม่ค่อยเป็นแล้วดูออกไหมรู้สึกว่าดี ข, ขึ้นนะเจ้าค่ะถ้าซึมอยู่อย่างนั้นกี่ปีกี่ชาติก็อยู่อย่างนั้นแหละไม่ดีเลยนะ เจ้าค่ะที่ฝึกอยู่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วล่ะเจ้าค่ะคือหนูรู้สึกว่าภาวนามันเฉ่ยลงเจ้าคา่ะไม่ทราบว่าต้องเพิ่มเติมตรงไหนหรือเปล่าเจ้าคา่ะก็ทํามีวินัยไว้ทุกวันจะเฉยก็ทําไม่เฉยก็ทํานะเจ้าค่ะไม่ใช่เฉยแล้วไม่ทําถ้ามีวินัยไว้นะมันจะไม่เสื่อมนานเจ้าคา่ะกลบคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะห้าิเจ็ดได้ฟังซีดีมาได้ปีกว่าแล้วคะ่ะตอนนี้อยากจะขอการบ้านอะค่ะนะที่ฝึกก็มีอยู่แล้วเนี่ยก็ใช้ได้นะ สังเกตไม่จิตขนาดนี้ถึงฐานไหมไม่ไม่ทราบอะค่ะแต่รู้แต่ว่าตื่นเต้นอรู้สึกไหมใจมันโล่งๆออกไปข้างนอกค่ะนัมันไม่ย้อนมาที่ตัวเองเห็นไหมมันวิ่งมาที่หลวงพ่อนึกออกไหมค่ะนะให้คอยรู้ทันนะใจไหลไปข้างนอกก็รู้ทันนะใจมันหดเข้าไปข้างในก็รู้ทันนะรู้ไปสบายๆรู้ไปเป็นกลางๆนี่ยแอบไปคิดทราบไหมนะให้กันบ้านแล้วนะจิตนี้ไปคิดก็รู้นะะจิตไม่ถึงฐานคือ หลงไปข้างนอกเพลิน เ, นเนบ้างไปเพ่งไว้ข้างในบ้างเนี่ยสองอย่างเนี้ไม่ถึงฐานทั้งคู่นะถ้าถึงฐานใจจะโปร่งโล่งเบาสบายรู้เนื้อรู้ตัวอันนี้ใจวิ่งมาที่หลวงพ่ออีกแล้วรู้สึกไหมออมันวิ่งไปวิ่งมา <c oughs> นะดีไปฝึกต่อมากกว่าใค ร, าาร น, น, นั่นแลหละไปสอนก <ใน S 2> ันเองนะสามสม่อสกราบน้ำพการหลวงพ่อค่ะส่งการ บ, าบ้านเป็นครั้งที่สองเมื่อวานก็ส่ง ใช่ทำไมทรงบ่อยกว่าเราก็หลงเร<า>ียนมาในกลุ่มปฏิบัติของกรฟพอก็เมื่อวานก็เลยไปฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมว่าเราเราดีขึ้นหรื อ, อยังก็รู้สึกยัง ร, รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยซึมลงนะคะแล้วก็คิดคิดเองว่าตัวเองประคองหรือเพ่งเอาไว้ทีนี้เนื่องจากว่าจะต้องไปปฏิบัติเองแล้วก็อยากให้หลวงพอ่อตรวจนะว่าถ้าประคองเนี่ยเอาหลักไปถ้าประคองแล้ใจจะแน่นนะ งั้นถ้าใจแน่นๆแสดงว่าประคองก็คลายซะอย่าไปประคองประคองเพราะอะไรเพราะโลภอยากปฏิบัติอยากรู้รให้ชัดๆก็ไปจ้องจ้องก็ประคองไว้เลยนะในสังเกตเอาเองนะแล้วค่อยคลายออกบพระคคุณมีอยู่หรอกประคองนะเคยชินอ่ะเคยชินติดสมถะยี่สิบเจ็ดอยู่ข้างหลังข้างหลังเหนื่อยเหมือนกันที่เหนื่อยเนี่ยเพราะว่าวันเนี้สอนมาวันที่สี่แล้ว กลับนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะก็ฟังซีดีกับอ่านหนังสือหลวงพ่อมาประมาณ2เดือนแล้วคราวนี้ตอนนี้ยมจากจะขอคําแนะนําของการบ้านของหลวงพ่อแล้วก็วิหารธรรมเจ้าค่ะฝึกให้ใจมันคึกคักหน่อยนะเจ้าค่ะอย่าไปกดให้มันนิ่งๆ่งทื่อๆนะพอดีไม่ค่อยสบายอยู่ด้วยเจ้าค่ะเราไม่สบายยิ่งภาวนา ง, ง่ายกังวลไหมกังวลเจ้าค่ะกังวลให้ดูดไปที่กังวล น, นะเจ้าค่ะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยป่วยไปแล้วใจเรากังวลเนี่ยเราเจ็บซ้ําซ้อน ไม่มีประโยชน์เลยกังวลไม่ได้ทําให้หายป่วยนะจะทําให้ป่วยมากขึ้นด้วยเพราะงั้นต่อไปนี้นะป่วยอยู่เนี้ยใจกังวลให้รู้ว่ากังวลน ะ, ะให้รู้ทันใจของตัวเองไปเรื่อยในทุกๆสถานการณ์ฝนะึกอย่างนี้แหละมีนะมีอยู่คนหนึ่งมาบอกหลวงพ่อว่าจะตายแล้วเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายหมอบอกว่ารักษาไม่ได้วันนี้มาไหมมาไหมวันนี้ไม่มาเดีย๋ยวนี้แกแข็งแรงนะเอาไปวิ่งแข่งร้อยเมตรคงไปได้เลยนะหลวงพ่อบอกว่าให นึกว่าร่างกายเราเนี่ยเหมือนดอกไม้นะถวายบูชาพระพุทธเจ้าเลยเมื่อเราตัดดอกไม้ใส่ใจกันไปแล้วดอกไม้จะเหี่ยวจะเฉาเนี่เรื่องของดอกไม้แล้ะใจเรานี่แหละเราคิดถึงพระพุทธเจ้าด้วยนะรักษาใจของเราไว้ปรากฏว่ามะเร็งแกหายนะที่หมอว่าจะตายคาที่นะนะั่นแหละว่าจะตายในวันสองวันอยู่แล้วลนะไม่กี่วันแป๊บเดียวเองไม่นานก็หายแนละ้วเดี๋ยวนี้สดใสกว่าเก่าอีกนะลองดูนะเจ้าค่ะขอวิหารธรรมเจ้าค่ะหลวงพ่อไปดูใจไปใจมันกงนังวล ดูที่ใจนั่นแหละเบอร์23สบสาแต่ไม่ใช่หายทุกคนนะที่ตายก็มีนะไม่ใช่โอ้มาดูถวายพระพุทธเจ้าแล้วไม่ตายไม่ใช่ดอกไม้ตัดใส่ใจกันยังไงก็ต้องเน่าแบบนัมาการหลวงพ่อค่ะมาครั้งแรกกับพี่สาวแล้วตอนนี้ก็มาฝึกพูดดังๆหน่อยยกไม้แบบร้องคาราโอเกะตื่นเต้นเจ้าค่ะยกเข้าใกล้ๆอย่างนี้ อ, อยากอะไรว่าไปอยากถามหลวงพ่อว่าเวลาฝึกแล้วมันมันเกิดอัตตาแล้วมันก็อะไรนะเกิดอัตตาค่ะยิ่งคิดว่ากูเก่งกูทําได้แล้วมันก็ก็ดีนี่มันไม่เป็นอนัตาค่ะกห้ดูมันไปนสิอัตตานะนะั้นอ่ะมันเป็นความรู้สึกของเราใช่ไหมเรารู้ทันแล้วมันหายไปไหมหรือว่ามีมตลอด มีแรงไหมคือจริงๆแต่ก่อนเราก็มีนะเราไม่เคยเห็นนัหนัหกละ่ะตอนนี้เรามาหัดภาวนาเราเริ่มเห็นแล้วว่าทิฏฐิมานะของเรารุนแรงกูเก่งกูงเก่งอะไรเงี้ยนะเป็นมานะจริงๆชื่อว่ามานะคนไทยชอบไปเรียกคําว่าอัตตาอัตตาจริงๆไม่มีมันเป็นมานะรู้สึกกูเก่งกูงเก่งขึ้นมาแล้วมีสติรู้ทันมันก็หายไปนะเกิดแล้วก็ดับเช่นเดียวกับความโลภความโกรธอย่างอื่นนั่นแหละ รู้ทันไว้นะถ้ารู้ไม่ทันแล้วน่าเกลียดคนที่เซลจัดนะั่นน่ะน่าเกลียดนะไม่มีใครอยากคบหรอกนะงั้นเรามันเกิดขึ้นมารู้ทันรู้ทันไปด้วยนะเดี๋ยวก็ดีเองเลยนหนึ่นึ่กกลับหลวงพ่อค่ะคือมามาฝึกอบรมพร้อมกับกฟพนะคะก็ได้ฟังซีดีของหลวงพ่อ มาประมาณหนึ่งปีก็ด้วยความอนุเคราะห์ของน้องเปิดให้ฟังในบ้านนะคะพลอยฟังไปด้วยก็มีความรู้สึกว่าเข้าใจแต่จริงๆแล้วเวลาปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดว่าเราเข้าใจก็พอได้โอกาสทางการใช่ไหมค่ะใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่เช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ่าช่ใ่เราคิดใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่าช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใช่่ใช่ใ ทำอะไรที่ยากๆ ก, กว่าธรรมดาหลวงพ่อบอกแล้วนะการปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอกความรู้สึกอะไรกําลังเกิดก็แค่รู้เท่านั้นเองรู้ไปเรื่อยนะจะเห็นเลยมีเหตุก็เกิดโมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นะทุกอย่างไม่มีตัวมีตนทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับหมดก็แค่นั้นเองคแคยากอะไร้ค่ะก็ก็คือพี่เลี้ยงให้สังเกตสังเกตตัวเองสังเกตทํารู้นะคะก็บอกให้รู้จักคําว่ารู้อย่างเดียวก็ยกตัวอย่าง เคาะต๊ะให้ฟังเอาเคาะโต๊ปุ๊บเนี่ยหูได้ยินนะคะแต่ใจมันแปร๊ข้างที่หนึ่งเป็นอย่างนี้แต่ข้งที่สองข้างที่สามน้ำหนักมันไม่เหมือนกันหูได้ยินแต่ใจมันไม่ไปอต้องเอาอย่างอื่นแทนเช่นเอาทุกแกยื่นไปปุ๊บนี่นะไม่จะเห็นจิตมันไหนมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันเคยชินค่ะทีนี้อีกอย่างหนึ่งนะถ้าหากเราเริ่มสังเกตอยู่ที่จิตทําไมข้อที่แรก มันไหวแพรบขึ้นมาเพราะไม่ได้จงใจดูมันไม่เคยนึกไม่เคยฝันว่ามันจะไหวแพ บ, บขึ้นมากลางหน้าอกได้ต่อมาเราเริ่มรู้แล้วว่ามันโผล่ขึ้นมาตรงกลางหน้าอกเราก็เริ่มจ้องไว้ก่อนงั้นค้อไปเถอะมันเพ่งอยู่ตรงเนี้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกที่ไม่เกิดขึ้นอ่ะเพราะไปเพ่งเอาไว้นะแต่อันนั้นไม่รู้ตัวจริงๆว่ามันเพ่งนะคะสังเกตมไหมจิตขนาดนี้ก็เพ่งคือกดตัวเองไว้กดมากอ๋อ ต้องปล่อยนะรู้สึกหัวใจเต้นตุบตับตุบตับดังมากเลยที่ยังไม่หยุดค่ะแล้วก็อาการอย่างนี้เวลาไปทำสมถะเนี่ยได้ยินเสียงหัวใจเต้นเสียงชีพจรเต้นดังมากดังมากแล้วก็ใจใจใจฟุ้งซ่านไปในความคิดแล้วรู้สึกไหมใช่ค่ะเนี่ยให้กันบ้านนะจุดอ่อนของคุณที่หลวงพ่อเห็นเฉพาะหน้าก็คือเวลาคิดเนี่ยชอบอินมากเลยค่ะ เพราะฉะนั้นต่อไปนี้พอคิดแล้วนะมันอินปุ๊บนะรีบรู้ไวๆน ะ, ะให้กันบ้านไปทำเอาร้อยหกสิบ <160. S 2> ขอบพระคุณมากค่ะอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าถ้าเราเพ่งอยู่นะให้ฟ้าผ่าใจก็เฉยน ะ, ะมันประคองจ้องไว้เงี้ยจะเฉยกรรมนมัสการหลวงพ่อครับระยะหลังๆภาวนาไปมันเริ่มเห็นว่าจิตกับธรรมารมที่จิตไปรู้เนี่ยมันก็เป็นคนละตัวกันไม่เกี่ยวกันถูกต้องแล้วก็ อย่างมันเหมือนมันเริ่มเห็นความการทำงานของจิตว่าอย่างสมมุติว่ามีความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยจิตมันไม่ได้สักว่ารู้ความโกรธแต่มันไปรีบตะคุบไอความโกรดนั้นมาเป็นตัวมันครับแล้วก็ยังเห็นว่ายังเรายังมีความยึดมั่นความเป็นตัวเราสูงมากอยู่นะครับก็ คนที่แล้วหลวงพ่ อ, อ, อโควิดตักเตือนว่าการปฏิบัติเนี่ยยังย่อหย่อนไปแล้วก็ก็เลยไปดูแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองยังแยกการปฏิบัติเวลาปฏิบัติกับเวลาไม่ปฏิบัติเนี่ยยังค่อนข้างเยอะอยู่แต่ว่ามันก็ยังขยะที่จะไปเพ่งเหมือนเก่ามันก็เลยเหมือนกับว่ายังเล่งความเพียนเพิ่มขึ้นมากไม่ได้ครับหลวงพ่อมีอะไรจะแนะนําตักเตือนเพิ่มไหมครับดีแนะฉลาดแล้วที่สังเกตตัวเองได้นะฝึกไปอย่างนั้นแหละครับกันะบคุณครับทําได้ดีแล้วนะเบอร์ห้สิบ นวัต ก, การค่ะก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยตั้งมั่นนะคะแล้วก็ไม่ไม่ค่อยเป็นกลางแล้วก็ข้างในมันมันไม่ค่อยคงที่มันมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั่นถูกแล้วนะแต่ตัวที่สําคัญก็คือใจเราไม่มีแรงใจเราอย่างป๊าแป๊ะป๊าแป๊ะรู้แบบห่อเหี่ยวนะถ้วรู้แบบแข็งแรงกว่านั้นนะจิตใจต้องเข้มแข็งกว่านั้นหน่อยทําตัวเป็นคนดูสบายสบาย อย่าให้ใจหย่อนลงไปแบบนี้นะไม่งี้ไม่เอานะดูไปงี้ไม่เอานะมันมันอ่อนแอไปนะเตือนตัวเองนะกระตุ้นตัวเองให้มันเข้มแข็งหน่อยนะจิตหลงไปแล้วทราบไหมทราบค่ะว่ามันตื่นเต้นมากเกินฟังอะไรไม่ค่อยจะรู้เรื่องแล้วมากับใครล่ะมาด้วยกันเหรอช่วยจําไปหนะานะ ว้าตื่นเต้นมากเดี๋ยวเอาไว้ก่อนก็แล้วกันต่อไปเบอร์อะไรหกสิบห้าเชิญนมันส ก, การค่ะหลวงพ่อคือว่าหนูเนี่ยออภาวนามาได้หนึ่งปีครึ่งอะค่ะช่วงปีแรกเนี่ยค่ะแป๊บหนึ่งน ะ, ะส่งไมค์คืนไปค่ะรู้สึกไหมจิตตะกี้กับจิตตอนนี้ไม่เหมือนกันแล้วไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนใช่ไหมเนี่ยรู้ไปสบายๆอย่างนี้นจิตตอนนี้ไม่ได้หมดเรียวหมดแรง นะไม่ได้สรายรู้สึกไหมสงบกว่าเมื่อกี้นี้เนะนี่ยคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของเขาไปเรื่อยนะเดี๋ยวฟุง้งซ่านเดี๋ยวสงบเดี๋ยวมีแรงเดี๋ยวไม่มีแรงจิตแต่ละวันแต่ละเวลาแต่ละขณะไม่เคยเหมือนกันให้ตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของเขาไปเรื่อยแต่ น, นี้ไปคิดเอาไม่ได้นะอย่าไปจ้องอย่าไปจ้องอย่างนั้นนะดูจิตไม่ได้ไปจ้องไว้ก่อนนะ ให้ความรู้สึกเกิดแล้วก็ค่อยรู้เอาอย่างเมื่อกี้อส่งใหม่ไปแล้วใช่ไหมความรู้สึกก็โปร่งล่งใจว่าพ้นทุกข์พ้นร้อนแล้วเนี่ย <c oughs> ความรู้สึกมันเกิดก่อนแล้วเราก็รู้ทันว่าโอ้โล่งขึ้นมาแล้อย่างนี้ใช้ได้ถ้าเราไปจ้องจ้องอย่างนี้นะมชนจะไม่มีอะไรให้ดูมันก็นิ่งไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าปิดจ้องไว้นะอ่ะมาส่งมาค่ะคือว่าหนูภาวนาได้หนึ่งปีครึ่งอะค่ะหลวงพ่อให้กันบ้านให้หนูไปดูจิตค่ะหนูก็ดูจิตสลับกับดูกาย แล้วในหนึ่งปีแรกเนี่ยค่ะคือหนูจะเห็นว่าจิตเนี่ยที่ตาก็คือเกิดเกิดที่ตาแล้วก็ดวงหนึง่งเกิดที่จิตดวงหนึง่งแล้วก็ชอบไม่ชอบอีกดวงหนึง่งแล้วก็จะเห็นกายเวลาเดินเวลาอาบน้ําแล้วก็เวลายกแขนนะคะแล้วก็เวลาส่องกระจกอืแต่พอปีที่สองนะคะหนูไม่มีสติ ตัวจริงเกิดขึ้นเลยอะค่ะหลวพ่อหนูติดอะไรไหมคะอนอกจากความอยากอยากาอยากมัก็ไม่ได้หรอกค่ะ <c oughs> แต่ว่าต้องทําในรูปแบบไหมทําอะไรบ้างหนูยอมรับว่าช่วงปีที่สองเนี่ยหนูทําในรูปแบบน้อยลงค่ะทำนะทำช่วย <c oughs> ให้เรามีสติได้ดีขึ้น <c oughs> การทําในรูปแบบเช่นเราไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกสมมติอย่างนี้หรือไปเดินจงกรม <c oughs> นะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกเลยนะ เราคอยรู้สึกอยู่เรื่อยๆนะต่อไปสติมันเมื่อเกิดเร็วรแต่ถ้าเราไม่ทำในรูปแบบเลยนะดูไปเรื่อยนะในสุดหมดแรงือดูได้ไม่ชัดหรอกเงื้นสมาธิเนี่ยการทำในรูปแบบได้ได้สมาธิด้วยหลวงพ่อเจ้าค่ะถ้าสมมติว่าหนูนั่งหนูเคยนั่งสมาธิอะค่ะประมาณหกชั่วโมงอะค่ะแล้วเห็นเวทนา แต่หนูก็รู้ว่ามันไม่ใช่ทางของหนูอะค่ะแต่ว่าหนูลองไม่เราไม่ได้นั่งนานขนาดนั้นน ะ, <ค>ะถ้าเดินสายเวทนาต้องนั่งให้นานต้องดูเวทนาไม่หนีมันนะเราแค่ว่ายพระสวดมนต์นะอาจจะท่องพุทโธอาจจะอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วค่อยรู้ทันจิตหนีไปแล้วรู้จิตหนีไปแล้วรู้หรือมารู้ลมหายใจเล่นๆอ่ะหายใจไปแล้วจิตหนีไปแล้วรู้จิตหนีไปแล้วรู้จิตไปเพ่งอยู่ก็รู้นะจิตเผลอไปหนีไปรู้จิตเพ่งอยู่รู้ฝึก อ, อย่างนี้มาบ่อยๆน ะ, <ค>ะแล้วมันจะมีแรงมากขึ้น คือว่าหนูดูจิตกับดูกายนี้ถูกต้องแล้วนะคะถูกแล้วล่ะมันก็มีกายกับจิตนั่นแหละเจ้าค่ะนะไปดูอย่างอื่นก็ผิดแล้วล่ะนะอัเบอร์เก้ า, าสิบมัสการหลวงพ่อครับคือสมมติว่าเวลาที่เรากระทบถูกอะไรแล้วมันเป็นอารมณ์ที่ชัดเจนอย่างเช่นว่าเราไม่ชอบใจหรือว่าเราโกรธหรือว่าเราโลภเห็นชัดๆเนี่ยนะครับดูเหมือนว่ามัน จะไม่ต้องใช้ความพยายามมากมันก็จะเห็นได้เองนะครับแต่ในกรณีที่สมมติว่าเราได้ยินเสียงหรือว่าเราเห็นอะไรบางอย่างเนี่ยซึ่งต่อจากนั้นมาเนี่ยเราก็ไม่ได้ชัดเจนว่ามันเป็นอะไรมันเป็นโลบหรือมันเป็นอะไรมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่า ก, กระตุ้นว่าเราจะอยากเข้าไปดูว่าสภาวะนี้เราต้องไม่รู้จักแน่เลยแล้วเข้าไปเพ่งหน่อยซีหรือว่าไปหาหรือไปคิดหน่อยสีเพ <Hey. S 2> าะเมื่อกี้นี้เราอะไรออให้รู้ตั้งแต่อยากสีใช่แล้วเราก็เลยกลายเป็นว่าตกมาตกหลุมตรงนี้ทุกทีแล้วเราก็เลยมารู้ว่า เรากําลังใจจ้องหรือ ừ, เรากําลังใจเพ่งแล้วสภาพวั น, นั้น ก, ก็ไม่ได้รู้หรอกแต่ว่าเราก็ไม่จําเป็น อ, อ๋อแค่นีมน้มันก็จะวนอยู่อย่างนี้เรื่อยๆเรารเราเรียนกรรมฐานนะธรรมปัจสนาเนี่ยเพื่อให้เห็นอะไรเพื่อให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดานะเราไม่ใช่ว่าเพื่อว่าสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้คืออะไรไม่จําเป็นเลยเพราะฉะนั้นมันวนมาอย่างนี้ทุกลอบก็ไม่เป็นไรนั่นแหละมันย<ม>ั่วให้ใหเราไปดูทุกลอบแล้วก็รู้ว่าเราดูทุกลอบก็โอเคแล้วใช่ไหมก็รู้ว่าอยากอยู่ อยากดูนะรู้โลงปัจจุบันไป็ไงั้นไม่ใช่ว่าต้องรู้ว่ารู้อะไรแค่รู้ว่าใจอยากจะรู้แค่นี้ก็รู้แล้วครับนะแล้วก็ในช่วงต้นๆที่เราฝึกฝึกตามดูเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าเราจะมีพัฒนาการชัดเจนกว่าอตอนที่เราไม่เคยดูเลยอ๋อธรรมดานะเพราะว่าตอนหัดใหม่ๆนะเริ่มจากศูนย์ได้หนึ่งคะแนนหนึ่มากกว่าศูนย์อยู่เท่าไห ร, ร่อ่ะนับไม่ท้่วเลยใช่ไหม หนึ่งขึ้นสองใช่ไหมเพิ่มร้อยเปอร์ซนหนึ่งสองไปสามใช่ไหมเพิ่มห้าสิบแต่พอมาช่วงหลังเนี้ยพอเราไม่ได้มีพัฒนาไปอย่างที่เราฟังคนอื่นว่าเขาเห็นว่าการนี้ฟังคนอื่นไม่ได้เราเลยทําให้เรารู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจว่าที่เราทําเนี่ยมันมีพัฒนาการไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วเนี่ยจะไม่มั่นใจทุกคนแหละหลวงพ่อจะเปรียบให้ฟังนะเราภาวนาเนี่ยเหมือนเราขึ้นภูเขาเราขึ้นในด้านนี้นะเขาขึ้นมาอีกด้านหนึ่ง เขาเกิดตะโกนคุยกันเวกเวกว่าเฮ้ยทางนี้เจออย่างนี้เราไม่เจอถามว่าเราสู้เขาไม่ได้หรอไม่ใช่นะแต่ถ้าเราขึ้นบนยอดเขาแล้วเราฟังคนนี้เราก็รู้ว่ามาตรงนี้ละมาฟังคนนี้เรารู้ว่าถึงตรงนี้ละเพราะงั้นเราฟังคนอื่นในขณะเนี้ยเราจะสับสนทุกรายเลยบางทีฟังแล้วปันหนีดีฝ่อเลยทั้งทั้งที่เขาภาวนาสู้เราไม่ได้นะวราเราไม่เคยเจออย่างเขาแล้วมัน มันพอไปได้ใ น, นที่ต่างก็ต้องเอาออกครับได้ครับนะแต่ตอนนี้เพ่งแรงไปหน่อยตื่นเต้นเห็นไหมงั้นเรียนกรรมฐานหน้าอยู่ไปฟังของคนอื่นเขาส่งกันบ้านส่งกันไปส่งกันมานั้นในห้องนี้เต็ไมไปด้วยคนอิฉช <c oughs> <68 S 3> ้าเบอร์หกสิบแปดกลับรรมสการหลวงพ่อนะครับก็ฟังซีดีมาสองปีครับมีเพื่อนเขาเอามาให้ฟังนะครับก็ถามว่าได้ทําอะไรไหมก็คือโดยตัวเองเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่าได้ทําอะไรคือ ทำไปตามที่ C ีดีคือตามเวลาฟังซีดีก็รู้สึกไปเรื่อยครับแต่ว่ามีปัญหาเรื่องตัวรู้คือเหมือนจะรู้แต่ว่าเวลามันก็จะมีคําว่ารู้ลงไตรลักผมก็ไม่รู้ว่าตัวที่ผมรู้เนี่ยเพราะว่าเคยรู้หรือเปล่าว่าทุกอย่างมันต้องเป็นไตรักหรือว่าจิตเนี่ ย, ยมันรู้จริงๆมันต้องรู้เองอนะคือไนนี้ ม, มันยังคิดอยู่อแล้วเคยรู้สึกไปสี่อย่างเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นนะพอเรารู้แล้วความโกรธก็หายไปเนี่ยมันเห็นไตรลักษแล้วแต่มันยังไม่สรุปออกมาเป็นคําว่าไตรลักษเท่านั้นแหละ คือตัวจิตก็จะเป็นคนรู้เองเขาจะถึงวันนั้นเขาจะบอกเราเองใช่ไหมใช่แล้วตรงที่เขาเข้าใจอ่ะเราตามรู้ไปเรื่อยใช่ไหมเราเห็นตัวนี้มาแล้วไปตัวนี้มาแล้วเข้าไปถึงจุดหนึ่งนะจิตจะเข้าใจด้วยตัวของเขาเองอตรงนั้นแหละที่เขาเห็นไตรลักษณ์จริงอ๋อไม่ใช่ความรู้ที่เราเคยรู้มาก่อนไม่ใช่นะเป็ น, เ ป, นเป็นความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆ น, น, นึกไม่ถึงเลยถึงจะฆ่ากิเลสได้ก็อยากอยากขอความเมตตาหลวงพว่อช่วยแนะนํา คนอ้างไปทำในรูปแบบนะบบพุดโทรไ้อะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตไปนะสมาธิอ่อนไปสี่สิบหกค่ะกับนวัตสการหลวงพ่อคะ่ะส่งกันบ้านรอบหกเดือนนะคะคืออ่อหนูไปตามรู้ที่หลวงพ่อสอนว่าให้เอาการเคลื่อนไหวเป็นเครื่องอยู่อะคะ่ะก็ดูโดยให้ร่างกายทำงานแล้วก็ย้อนกลับมาดู เวลาที่ร่างกายกำลังหายใจอะค่ะหรือว่าบางทีอย่างพูดอะไรเงี้ยก็จะดูปากดู อ, อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเริ่มเห็นว่าตัวเองยึดของสิ่งของที่อยู่รอบๆตัวคือเริ่มเห็นการยึดดีแล้วก็เริ่มเห็นว่าความเศร้าของตัวเองมันเกิดจากการที่เราไม่ได้อย่างที่เราต้องการคะถูกต้องแต่ทีนี้หนูมีปัญหาว่าหลวงพ่อเคยสอนว่าถ้าปฏิบัติเราจะเริ่มเปลี่ยนแล้วหนูก็เลยลองไปถามเพื่อนว่าหนูเปลี่ยนหรือเปล่า แล้วเขาก็บอกว่าไม่เปลี่ยนเขาดูไม่เปลี่ยนมั้งแล้วเขาก็ย้อนกลับมาถามหนูว่าหนูปฏิบัติมากี่ปีแล้วก็บางคนดูแล้วไม่ค่อยเปลี่ยนนะอย่างบางคนเป็นใจเย็นมีความสุ่ยิ้มอยู่ทั้งวันนะพอนานแล้วก็เยออย่างนั้นแหละก็ดูยากแต่บางคนนิสัยร้ายชั่วร้ายมากๆอะไรอย่างงี้นะอารวารสละรานคนอื่นอะไรเนี่ยพวกเนี้ยเปลี่ยนให้คนเห็นได้ง่าย แต่ว่าตกลงแล้วคือใจิตใจหนูเปลี่ยนไปบ้างยังอะ่ะหลวงพอ่อรู้สึกไหมว่าเปลี่ยนหรือเปล่าคือตัวเองรู้สึกแต่ว่าเวลาที่เกิดอัอออตราหรือความยึดอยากให้ได้ดังใจมันยังเหมือนการกระทํามันยังเหมือนเดิมอะค่ะนั่นแหละเครรู้ทันไปนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วแล้วหนูยังติดเพ่งอยู่ไหมคะหลวงพอ่อมีนิดหน่อยไม่มากเหมือนรู้สึกว่าเพ่งหนูน้อยลงแต่หนูกลับ<ช>ไปอินกับอารมณ์ข้างนอกมากขึ้นอินแล้วรู้ว่าอินไม่ห้าม นะแต่อินแล้วรู้ว่าอินแต่อินขนาดไหนก็ตามไม่ให้ผิดสินห้านะการภาวนานะเราเปลี่ยนมันรู้ได้ด้วยตัวเองเรียกปัจจตังเวทิตาโพวิญญูหิวิญญูชนรู้ด้วยตัวเองอย่างเคยทุกมากก็ทุกน้อยอย่างเงี้ยเคยเซลจัดแต่ไม่เห็นก็ เ, เริ่มเห็นว่าเซลจัดร้ 140. อสี่าเชิญกับนมัส ก, การหลวงพ่อคะ่ะ คืออาทิตย์ที่แล้วหนูมาส่งกันบ้านหลวงพ่อเพิ่งส่งไปอาทิตย์เดียวหรอลาบไปแล้วคือหนูติดเพลงแล้วเสร็จแล้วพอหลองพ่อบอกว่าเพลน้อยลงหรือยังหนูเลิกทําไปเลยค่ะรู้สึกเปล่าว่าใจเบาขึ้นหรือเปล่าเบาขึ้นนะเนี่ยปล่อยใจเป็นธรรมดาสังเกตไหมพอใจเบาขึ้นเนี่ยใจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ก็ใช่ค่ะแต่มกลัวแบบต้นเหมือนรู้สึกวตัวเองปฏิบัติน้อยลงเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะไปติดเพ่งอีกก็เลยไม่รู้ว่าตกลงต้องทำยังไงตอนนี้อาาหดูสภาวะบ่อยๆก่อนน ะ, ะจนกระทั่งต่อไปเนี่ยเพ่งเราก็รู้ทันว่าเพ่งถ้าเพ่งเรารู้ว่าเพ่งนะใจมันค่อยคลายออกเองอย่างนี้เราก็กลับไปทําสมถะไดะนะ้ตอนนี้เราแก้นิดเดียวเท่านั้นเองเราติดเพ่งมานานเราปล่อยมันก่อนพอปล่อยมันเราเริ่มเห็นไหมกายนี้เคลื่อนไหวจิตใจนี้เคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติ แล้วก็มีสติตามดูความเปลี่ยนแปลงในจิตใจไปเรื่อยๆนะดูไปสักช่วงหนึ่งก็ลองกลับไปลองทำสมถนะดูพอมันจะเริ่มเพง่งพอเรารู้ทันเนี่ยมันจะไม่เพ่งแรงหรอกจะค่อยๆลดลง191 191 19อยู่ที่ไหนกราบนมัสการหลวงพ่อเชีค่ะเวลาที่โยมรู้สึกว่ากดเนี่ยพอรู้สึกบางบางครีเนี่ยมันจะอัดแน่นมากขึ้น หรือแม้บางครั้งที่พอรู้ก็คลายแต่ก็กลับมาเกาะกดอีกทันที<ใ>นเลยจิตไม่เคยชินที่จะกดนะห้ามมันทีเดียวไม่ได้นะถึงแม้รู้ลงไปแล้วก็ไม่หายอย่างเงี้ยจะจะต้องไม่ไ ม, ไม่ไม่จำเป็นต้องหายนะกดอยู่เนี้ยมันไม่ใช่กิเลสหรอกนะเราอยากดีเรา พ, พยายามตั้งใจปฏิบัตินะเพราะงั้นบางทีกดอยู่ไปรู้มันไม่หายมันไม่เหมือนกิเลสถ้ากิเลสเกิดเรารู้ปุ๊บหายปับ๊บตัวนี้ต้องค่อยคอยหาย นะกดอยู่ก็รู้มันจะค่อยๆ ค, คลายออกคลายออกนะแล้วสภาวะทั่วไปอย่างเวลาที่หลวงพ่อพูดถึงว่าซึมหรืออินหรือตัวจริงตัวอะไรอย่างเงี้ยโยมไม่ทราบไม่เป็นไรนะโยมทราบตัวไหนเอาตัวนั้นแหละรู้จักโกรธไหมเจ้าค่ะรู้โกรธรู้จักเนะโกรธขึ้นมาเราก็รู้ดีใจแล้วรู้สึกไหมเจ้าค่ะเนี่นดีใจเกิดขึ้นเราก็รู้เนี่ยดูของเราสิเท่าที่เรามีนะเจ้าค่ะ แล้วที่โยมรู้อยู่นี่ถูกถูกนะถูกแล้วอย่าไปกลัวเรื่องเพ่งนะเราเคยเพ่งมานานมันต้องค่อยๆคลายเจ้าค่ะแล้วแต่ก่อนเนี่ยโยมนั่งสมาธิแบบสมถะแบบรู้พองหนอยุบหนョเจ้าค่ะแล้วพอหยุดไปเนี่ยขณะนี้ถ้าหากว่าจะนั่งในแบบที่หลวงพ่อสอนโยมทำไม่ไม่ค่อยได้โยมไม่แน่ใจกราบขอโอกาสทําให้ดูซิทำเจ้าค่ะ ใจไหลไปแล้วรู้ไหมไม่ทราบเจ้าค่ะคือเราแค่แค่รู้สึกไปนะเห็นร่างกายมันพองร่างกายมันยุบใจเป็นคนดูลองฝึกแบบนี้ร่างกายมันพองร่างกายมันยุบใจเป็นคนดูหรือมันเผลอไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันหรือมันไหลจิตไหลเข้าไปอยู่ที่ท้องรู้ทันนะแล้วก็เป็นคนดูสบายๆฝึกไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็เป็นนะเบอร์117 117ยืดๆหน่อยยืดๆตัวหน่อยหลวงพ่อดูยาก คุททะนไปั้งเยเก่าในมรดการค่ะคือว่าหนูปฏิบัติตามพระอาจารย์ปามโมยอะคะ่ะมามประมาณสองปีกว่าแล้วค่ะปะะาไหอะปามโมยโชว์ป่าทำหาอาจารย์ปาโมยค่ะอค่ะ ม, มีหลายองค์นะปาโมยนะอ ะ, ะแล้วไ<ม> ง, งปฏิบัติตามาสองปีกว่าแล้วว่ะค่ะแล้วคือคราวนี้ยค่ะตอนปฏิบัติปีแรกๆค่ะคือว่า จิตคือว่าครั้งแรกตอนฟังหลวงพ่อตามซีดีอะค่ะก็คือมไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะ<ม>แล้วพอปฏิบัติไปเรื่อยๆก็คือเหมือนกับว่าเราเห็นจิตเกิดดับอะค่ะ<ม>ก็คือเราจะรู้ว่า จิต ด, ดวงเดิมอะค่ะที่มันมันดับไปแล้วอะค่ะจิต ด, ดวงใหม่ก็เกิดขึ้นนะ<อ>คะแล้วจิต ด, ดวงใหม่มันก็ดับไปอีกแล้วก็จิต ด, ดวงใหม่ก็เกิดขึ้นอีกอะค่ะแล้วก็คือเห็นว่าเราเหมือนกับเกิดตายตลอดเวลาคะ<อ>่ะและ้วคราวนี้ปรากฏว่าคือพอมาถึงช่วงหลังๆอะค่ะมันจะติดนิ่งอะค่ะนิ่งมากๆเลยอะค่ะแล้วก็คือถ้าไม่นิ่งมากๆก็จะเป็นเผอเผอมากๆค่ะเลยอยากอยากจะทราบว่าจะแก้ไขยังไงดีค่ะให้รู้สึกร่างกายให้เยอะขึ้นนะ ดูจิตบางทีมันละเอียดไปมั น, ล เ, มนเลยนิ่งนิ่งว่างๆงไปพยายามร่างกายขยับเนี่ยพยักหน้าก็เห็นเดี๋ยวซ้ายแลกว่าก็เห็นนะดูกายให้เยอะขึ้นนิดนึงหนูนั่งสมาธิเป็นดูลมหายใจอะค่ะแล้วหนูก็ปฏิบัติตามที่ท่านสอนว่ารู้ลมแล้วก็ถ้าสมมติใจไหลไปก็รู้อะค่ะแต่ว่าคือช่วงหลังหนูนั่งสมาธิแล้วมันก็นิ่งมากๆะค่ะพ อ, อ ม, มันพอมันออกมาจากสมาธิหนูก็ขี้โกรธอะคะอ่ะนั่นแหละ เราไปติดสงบอยู่ข้างในไงหนูไปกวาดบ้านให้เยอะขึ้นไปทำงานนะทำงานแล้วก็เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะดูกายให้เยอะขึ้นจิตมันไปติดนิ่งแล้วคือต้องเคลื่อนไหวอย่างเดียวเลยเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวให้เยอะๆไว้นะเคลื่อนไหวขอบคุณค่ะร้อยห้าสิบห้าเชิญค่ะเพิ่มบ่อยๆมากค่ะอยากให้ อยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนําให้หน่อยอะค่ะว่าทํายังไงให้สติมันเกิดขึ้นบ่อยขึ้นอะค่ะท่องพุทโธไว้ได้ไหมได้ค่ะท่องพุทโธพุทโธสบายๆนะพุทโธแล้วจิตหนีไปรู้พุทโธแล้วจิตเป็นสุขก็รู้พุทโธแล้ววุ่นวายขึ้นมาก็รู้พุทโธแล้วจิตเป็นยังไงก็รู้พุทโธแล้วรู้ทันจิตบ่อยๆนะแล้วสติจะเกิดเร็วขึ้นถ้าไม่ชอบพุทโธก็ไปรู้ลมหายใจหายใจไปแล้วมีความสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้พุ้งซ่านก็รู้นะรู้ทันจิตไป แล้วถ้าสมมติกิเลสมันเกิดอย่างเช่นเราอยากมากขึ้นมากขึ้นอย่างนี้ให้ทําไงคะให้รู้ทันนะรู้ทันรู้ทันว่าอยากอย่าไปอยากหายอยากนะนั่นนั้นอยากซ้อนอยากะนะร้อยเจ็ดสิบแปมัสการหลวงพ่อค่ะก็หนูปฏิบัติตามที่หลวงพ่อท่านสอนแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนชั่วมากขึ้นเรืเ่อยๆ แล้วอยากให้หลวงพ่อช่วยแก้หน่อยค่ะเพราะว่าแต่ก่อนรู้สึกว่าไม่เคยเป็นคนชั่วยอย่างนี้มาก่อนโอ้นี่แหละลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทภาวนาแล้วชั่วกว่าเก่าให้เรารู้ทันลงไปสินะจิตมันมีกิเลสเกิดขึ้นก็รู้ดูไปเรื่อยนะวันหนึ่งกิเลสกับจิตมันก็แยกออกจากกันคนละอันกันจิตเป็นแค่คนดูกิเลสเหมือนแขกแปลกหน้าเดินผ่านมาหน้าบ้านมาแล้วก็ไปใจเป็นคนดูฝึกงี้บ่อยๆนะ ไหวไหมอย่างนี้ทําไมเวลาพอรู้ทันมันก็รู้สึกโกรธว่าเฮ้ยทำไมตัวเองเป็นคนช่วยอย่างนี้กลายเป็นว่ามันออยิ่งมีความถูกมากขึ้นนั่นแหละนะมันโกรธซ้อนโกรธนะทีแรกเราโกรธมีความโกรธคนอื่นเกิดขึ้นพอเราไปรู้ทันเราไม่ชอบนะเราไม่ชอบความโกรธตัวแรกมันเลยเกิดความโกรธตัวที่สองขึ้นมานะให้รู้ทันความโกรธตัวที่2อนี่แหละว่าใจกําลังไม่ชอบเพราะความโกรธตัวหลังเนี่ยเป็นปัจจุบัน ความโกรธตัวแรกเป็นอดีตไม่ต้องดูแล้วนะงั้นให้ดูใจที่ไม่ชอบความโกรธ ด, ดูตัวนี้นะดูลงปัจจุบันอย่างนี้ปฏิบัติถูกต้องหรือเปล่าคะหลวง่อถูก <ลง S 1> สิไปทาอีกนะ<อ>ดู<อ><อ>ให้ได้ปัจจุบันนะขอบคุณมาก <12 4. S 3> ค่ะร้อยยี่สิบสี่กับน้มสการหลวงพ่อครับกัเบเรียนผลการปฏิบัติช่วงนี้นะครับก็คือถ้าผมจะปฏิบัติในรูปแบบในช่วงก่อนนอนนะครับ ทีนี้เวลาสวดมนต์เนี่ยมันจะหลงบ่อยซึ่งซึ่งช่วงแรกๆจะจะไม่เป็นนะครับคือมันหลงไปคิดแล้วทีนี้ว่าบทสวดมนต์ก็คือจะลืมไปเลยอืคือเป็นเป็นบ่อยมากนะครับในการสวดหนึ่งบทถ้า ม, มันมันมากนะสวดยากก็สวดสั้นนิดเดียวพุโทโธก็พอละพุโทโธพุโทโธพุทโธไปนะใจหนีไปแล้วรู้พุโทโธใจหนีไปแล้วรู้อย่างนี้มีมีปัญหาเรื่องสมาธิน้อยลงน้อยไปหรือเปล่าครับไม่ใช่เราสติมันเร็วขึ้นแต่ก่อนมันก็หนีนะมันไม่เห็นอะ หรือไม่มันก็จ อ, อนิ่งไปงั้นแต่ว่าเมื่อก่อนนี้สวดได้มันไม่ลืมบทครับแต่ว่าตอนนี้คือมันจะลืมสัญญามันสอนเรานะว่าสัญญาก็ไม่เที่ยงนะมันไม่จํามันดับลงตอนหน้าต่อตามันคือสวดสไปเราไม่รู้สวดถึงไหนละใช่ครับคือจะไม่รู้ว่าสวดถึงไหนแล้วเพาไปคิดเรากลับมาก็จะไม่รู้เออสัญญามันดับไปตัวนะั้นแล้วก็อีกเรื่องนึงครับคือช่วงนี้จะจําอะไรไม่ค่อยได้ครับ อ ย, อย่างเช่นเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างนี้ครับคือจะไม่ค่อยสนใจคือพ อ, อ, อมีงานรึป์คือมันจะตัดลืมไปหมดเลยตัดเร็วไปไม่เอาคือเวลามีงานทํานะจะทํางานเนี้ยตั้งสติให้แรงขึ้นหน่อยสนใจมันเพิ่มขึ้นนะมีชันทัะเพิ่มขึ้นในการทํางานไม่งั้นใจมันจะภาวนาแล้วมันจะเบาเบาโล่งๆไปแล้วลืมเนื้อลืมตัวอย่างนั้นไม่ดีหรอกครับก็คือวันนี้ใส่ใจให้มากขึ้นครับวันนี้ก็โมหะเยอะครับนะเวลาจะสวดมนต์ก็ตั้งใจให้มากขึ้นนิดนึงนะ ครับขอบพ ร, พระคุณครับมันอ่อนไปมันเบาไปมันวางไปหมดนะมันว่างไปหมดเจ็ดสิบเจ็ดใกล้จะหมดแล้วใกล้จะได้กลับบ้านแล้วกลับแล้วักกายค่ะพระอาจารย์ช่วงนี้โยมก็เห็นกายกับจิตมันแยกออกจากกันเป็นบางครั้งอนะคะแล้วก็เห็นความมีอัตตาตัวตนของตัวเองค่ะแล้วก็มานะด้วยจ้ะคะแต่ทีนี้เวลาเพระอาจารย์จะบอกว่าให้ ปฏิบัติตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนโยมเวลาไปทำงานก็จะเผลอเปนานึงทงานต้องยกเว้นนะทางานเนี่ยเราต้องคิดเวลาที่เราคิดเรารู้กายรู้ใจไม่ได้เพราะฉนั้นเวลาทางานเนี่ยตั้งใจทางานไปแต่าทาแล้วกิเลสเกิดเช่นขี้เกียรติเนี่ยรู้ว่าขี้เกียรยม่ตยายา้องใหมไ นั่นของคนที่ว่าใจลอยตะเคียวเห็นไหมมันลอยมาหาเขาแะ้วของคุณนะ่ารู้อารมณ์ที่หยาบขึ้นนิดหนึง่งรู้ร่างกายช่วยด้วยนะดูจิตอันเดียวนะเบาไปบางทีสติอ่อนไปตามไม่ทนนะันและหายไปเลยน ะ, ะรู้สึกร่างกายให้เข้มข้นขึ้นนิดหนึ่งนะคุณผู้ชายตะเคยียวแต่ข อ, องโยมเหรอคะก็ <c oughs> <c oughs> ดูไปสินะดูดูกายด้วยนะดูใ จ, จอย่างเดียวมันอ่อนไปแปดสิบสอง การในมาสการหลวงพ่อคะ่ะปฏิบัติมาได้ปีกว่ า, วาแล้วก็นี้ในช่วงแรกๆเนี่ยที่ทำได้ก็คื อ, อ, อจะมีความรู้ ร, รู้ตามรู้ได้จนกระทั่งรู้สึกว่า อ, อ, อารมณ์ลงไม่พุ่งปี๊ด ห, หรือเวลาโกรธเราก็ไม่พุ่งปี๊ดเวลาดีใจเราก็ไม่ไม่สุดๆก็เลยรู้สึกว่ามันมันจืดชืดไปนิดนึงเราทําถูกไหมก็เลยไม่แน่ใจก็เลยอลองดู คือไม่เคยถามหลวงพ่อเลยอะครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็เลยลองดูว่าเอ๊ะถ้าเราถอนลงมานิดนึงปรากฏว่ามันหลงอืมไม่น่าถูกเช่นกั น, นะก็เลยอยากขอคําแนะนําจากหลวงพ่อ <ลง S 1> ค่ะท่านหลงก็ไม่ถูกแล้วนะแล้วตัวอารมณ์ไปเสียอารมณ์เกิดขึ้นก็รู้อารมณ์ดับไปก็รู้พอเห็นจิตเห็นอารมณ์แล้วยินดีขึ้นมาก็รู้ยินร้ายก็รู้รู้ทันจิตเข้าไปอีกชั้นหนึ่งยากไหม ย, ยากค่ะเพราะจริงๆแล้วก็ทําทํามาเรียกว่าปฏิบัตินะคะ ปฏิบัติมาแล้วมันก็แบบพอพอแบบสมมติว่าเสียใจมากมันก็ลงมาเร็วทุกทุกสั้นลงอะไรอย่างนั้นแต่มันมันมันเหมือนกับมันจืดชืดไปอะค่ะจืดชืดนั้ น, นธรรมดาโลกนี้จืดชืดจะตายไปมันสนุกสนานสําหรับคนหลงต่างหากแสดงว่าที่จืดชืดนั้นถูกต้องถูกเพราะโลกเนี้จืดชืดเคยมีพราหมณ์คนหนึ่งนะไปว่าพระพุทธเจ้าไปชี้หน้าว่าท่านเลยพระสมณโคดมเป็นคนจืดชืดท่านบอกใช่ ท่านเห็นโลกนี้จืดชืดพระสมณะโคดมไม่ผุดไม่เกิดใช่เราไม่ผุดไม่เกิดแล้วนะดาอะไรนะท่านบอกใช่หมดเลยนะถามนั่นยอมแพ้เลยนะภาวนานะแล้วโลกจะจืดโลกนี้สนุกสนานอ ร, อร่อยสําหรับคนหลงเทะนะ่านั้นพระเจ้าเคยสอนพระนะบอกดูกราชภิกษุทั้งหลายเธอจงดูโลกอันวิจิตรงดงามเหมือนราชรถทรงของพระราชาที่คนเข่าเนี่ยพากันติดอยู่แต่ผู้รู้ไม่ติดนะ เห็นแล้วเจิดเจิดเห็นรถก็อย่างนั้นแหละจิดเจิดขอถามอีกนิดนึงตัวเองเป็นนักวิ่งอะคะ่ะ อ, อยากถามว่า ส, สมัาธะระหว่างวิ่งได้ไหมคะระวังจิตรวมแล้ววิ่งไม่ได้นะคือเป็นลักษณะว่าเรารู้ลมหายใจรู้ลมหายใจณนะขณะวิ่งอะได้ไหมคะได้แต่เราวิ่งออกไหมออกค่ะวิ่งออกก็วิ่งไปะนะครับขอบพระคุณค่ะ2ีหนึ่งไม่ใช่วิ่งวิ่งแล้วกําลังจะถึงเชือกแล้วจิตรวมปุ๊บ โลกธาตว่างเลยไม่ได้เหรียญเลยยี่สิบหนึ่งอยู่ไหนอยู่นี่เจ้าค<ม>่ะ ก, ก, การนมมสการค่ะพระอาจารย์ปกติโยมไหว้พระสวดบนนั่งสมาธิทุกวันนะคะเ<ม>ช้าเย็นต่อหลังมาได้มาปฏิบัติกับกพอฟอนะคะแล้วก็ปฏิบัติก็เห็นการเกิดดับนะคะพระอาจารย์ แต่มันมีตัวนิ่งอยู่ตัวหนึ่งอะคะพระอาะอจารย์<ๆ>ก็เลยสงสัยว่าตัวเองควรจะนั่งทําสมาธิต่อไหมทําทํานะแต่ว่าพอออกจากสมาธิแล้วเหลือตัวนิ่งอยู่ก็รู้ทันมันนะค่อยๆคลายออกอ๋อครับพระอาจารยนะ์คือถ้าเหลือตัวนิ่งอยู่ตัวหนึ่งนะทุกตัวแสดงใจรักและเหลือตัวเดียวไม่แสดงใจรักษเนะี่ยปัญญาจริงๆยังไม่เกิดอ่ะค่ะ หมายถึงพอนั่งเสร็จให้ดูตัวนิ่งตามหลังจากนั่งเสร็จแล้วพออกจากสมาธิมานะใจยังนิ่งอยู่รู้ว่านิ่งอยู่รู้ทันอย่างนี้นะจะอย่าไปเพ่งใส่มันนะถ้าเพ่งมันยิ่งนิ่งค่ะก็แค่รู้ว่าตอนนี้มันนิ่งแค่นี้แหละพ่อจะบอกให้อย่างนะเวลาเราส่งกันบ้านเนี่ยซึ่งกันและกันเนี่ยเราก็กลัวซึ่งกันและกันนะจะบอกความลับให้พระที่ท่านนั่งฟังอยู่นะท่านก็กลัวเหมือนกัน ท่านสารภาพกับหลวงพ่ออยู่บ่อยๆเลยองนั้นก็กลัวโยมวงนี้ก็กลัวโยมนะความจริงไม่ใช่ท่านภาวนาสู้ไม่ได้นะแต่ละคนนะ่ะมันไม่เหมือนกันฟังของเขาส่งกันบ้านนะั้นเราไม่เข้าใจเราก็รู้สึกประหลาดอา้าวของโยมว่าไงพระอาจารย์อีกเรื่องหนึงครับเวลาเราเห็นเวทนากับจิตมันแยกกันอยู่ อ, อย่างเราดูยังไงต่ออีกครับพระอาจารย์ดูไปสินะเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยง มันไม่เที่ยงครับอาจารย์ไม่เที่ยงก็มันก็ดับไปใจก็ยังเป็นคนดูอยู่ก็ยังดูนะดูแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวก็มีอันอื่นมาให้ดูอีกค่นะอารย์แล้วจิตเองก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้ผู้ดูเดี๋ยวก็หลงไปคิดคช่ไหม้จิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงเกิดดับเหมือนกันดูอย่างนี้แหละค่ะนะกราบขอบพระคุณมากครับอาจารย์เชิญกลับบ้านได้นะ